Oh. สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนมีสัญชาติญาณอย่างหนึ่งนะนั่นคือสัญชาติญาณเอาตัวรอดแล้วคนเราเนี่ยก็มีสัญชาติญาณ น, นี้ด้วยกันทุกคนเช่นเดียวกันสัญชาติญาณเอาตัวรอดเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่รู้จักระแวดระวังอันตรายเวลามีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยก็จะระวังหรือระวงเอาไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ชอบมาพักกลืน สมัยที่มนุษย์เรายัางอาศัยอยู่ในป่าแวล้อมด้วยสิงสารสัตว์นานาชนิดเนี่ยมนุษย์เราก็สามารถจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์หลายชนิดได้นะเสือก็ดีหมีก็ดีช้างก็ดีถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติหลังภู่มไม้เนี่ยเราก็จะระแวงเอาไว้ก่อนนะว่า อาจจะเป็นสัตว์ร้ายที่กำลังซุ่มโจมตีอยู่ไอ้ความระวังตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยพยายามหนีห่างจากบริเวณนั้นหรือว่าถ้าจะต้องผ่านตรงจุดนั้นก็ต้องมีความระบัดระวังเป็นพิเศษซึ่งอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะอาจจะ มีสัตว์เล็กๆนะกำลังหลบซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ใช่สัตว์ร้ายที่เป็นภัยนั้นการระวังแบบนี้ในแง่หนึ่งมันก็อาจจะสูญเปล่านะคือไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็คุ้มค่านะ เพราะว่าเกิดเราระวังระแวงว่ามันมีสัตว์ร้ายซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ต่ที่จริงไม่มีอะไรอันนั้นก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากก็แค่ทำให้เครียดชั่วคราวในทางตรงข้ามถ้าไม่ระวังนะคิดว่าหลังพุ่มไม้ไม่มีอะไร แต่ถ้าเกิดมันมีเสือหรือว่ามีสัตว์ร้ายซุ่มอยู่เนี่ยก็ถึงตายได้นะถ้ามันไม่คุ้มกันเลยนะอ่าคือพอไม่ระวังแล้วคิดว่าไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าเนี่ยกลับต้องแลกด้วยชีวิตในคที่ระแวงเอาไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีอะไรนะก็ก็แค่เครียดชั่วขณะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเนี่ยไอ้ความระแวงความระวังนั่นก็ทําใหา้รอดจากอันตรายได้มันคุ้มกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความระบาดระวังหรือระแวงแผนอันตรายเนี่ มันก็มีโอกาสที่จะเอาชีวิตรอดได้หรือว่ามีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่าคนที่เขาไม่ค่อยร ะ, ระมัดระวังเท่าไหร่แล้วคนที่มีความระบีดระวังเนี่ยนะพอมีอายุยืนยาวก็มีโอกาสที่จะนะมีลูกมีหลานนะตามมาแล้วก็ถ่ายทอดนะทีสัยความระแบีดระวัง หรือเราแวงเนี่ยไปสู่ลูกสู่หลานก็ทำให้สามารถจะอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายที่เรามนุษย์เราเนี่ยอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีประชากรเนี่ยเรียกว่าลดลกเลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีมันมีนิสัยเนี่ ย, ยติดอยู่กับ ตัวนะคือนิสัยระแวดระวังแล้วมันก็คงจะฝังอยู่ในสมองของเรานะตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนเราทุกวันนี้เนี่ยยังคงมีความระแวดระวังมากอยู่นะและเดิมเนี่ยแต่ก่อนก็ระแวดระวังนะเฉพาะ สิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตที่ทำให้บาดเจ็บตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดความระบาดระวังนะต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้แม้ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นภัยอันตรายถึงชีวิตนะไม่ได้ทำให้บาดเจ็บพิกลพิการหรือล้มตายนยแต่ว่า เราก็มีนิสัยเนี้ยแล้วก็จดจำนะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้การที่คนเราเนี่ยมันมีความสามารถในการจดจำเหตุร้ายต่างๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันก็มีส่วนช่วยทำให้เราเนี่ยเข็ดหลาบแล้วก็ พยายามอยู่ห่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายต่อชีวิตอย่างเช่นเด็กเนี่ยนะแต่ก่อนก็ไม่รู้จักไฟนะแต่พอโดนไฟลวกเด็กจะจำความเจ็บปวดจากไฟนั้นได้หรือว่าโดนเข็มแทงโดนน้ำทิ่มก็จะจำความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ และความเจ็บปวดนั่นก็ทำให้พยายามอยู่ห่างนะอยู่ห่างจากไฟหรือว่ามีความไม่ประมาทในการใช้ไฟเจอหนามเจออะไรก็ระวังเพราะมันจําได้ว่าเคยเจ็บเคยปวดหรือแม้กระทั่งกินอะไรเนี่ยเราเกิดท้องเสียขึ้นมาอบางทีท้องเสียจนกระทั่งปางตายเลยนะก็จะจําได้เลยนะ หรือถึงแม้ไม่ถึงขั้นปางตายแต่ว่ามันทําให้ล้มหมอนนอนเสื่อหลายวันก็จำได้จําได้เลยนะว่าเนี่ยในอาหารหรือว่าผลไม้หรือว่าใบไม้แบบนี้นี่มันน่ากลัวนะจะต้องอยู่ห่างมันในความที่ความสามารถในการจดจําความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะต่อความอยู่รอด แต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทางกายหรือสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตนะสิ่งที่ทำให้ทุกใจเนี่ยเราก็จะจดจำนะได้แม่นยงเหมือนกันนะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะของสันชาตยียานเอาตัวรอดนะที่ถ่ายทอดสั่งสมมาในในตัวมนุษย์ทุกคนในด้านหนึ่งมันก็เกิดความ ระวาดระวังนะสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แต่ก่อนก็จะระวาดระวังสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กายนะแต่ตอนหลังเนี่ยแม้กระทั่งความทุกข์ใจนี่เราก็ระวังแล้วก็ทำให้เกิดความระแวงได้ง่ายทุกวันนี้คนเราเนี่ยแม้จะไม่ค่อยเจอกับความทุกข์กายเท่าไหร่นะ ยกเว้นโรคภัยแค่เจ็บหรือว่ า, าการผระสอุปัติเหตุเนี่ยแต่สิ่งที่เราเจอมากเจอบ่อยๆกนะ็คือความทุกข์ใจและแม้มันจะไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่รุนแรงนะแต่ว่าเราก็จะไหวเนยเราก็จะแวระแบงต่อสิ่งเหล่านี้มากเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือยังไม่ทันเกิดเหตุนี่ก็ มองไปในแง่ลบในแง่ล้ายไปก่อนนะ เ, เช่นนัดเพื่อนแล้วบางทีก็สงสัยระแวงว่ามันจะมาตามนัดหรือเปล่านะเพียงแค่คิดแบบนี้นี่ก็เครียดแล้วนะหรือว่าฝากงานให้เพื่อนทำก็ระแวงว่านนี้เขาจะทำงานตามที่รับปากไว้หรือเปล่านะจะทำเสร็จไหมนะ บางทีไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเราจะเรื่องที่เกี่ยวนคนอื่นก็ได้ลูกสอบเข้านะหมหาวิทยาลัยหรือว่าสอบเข้ามัธยมก็จะระแวงไว้ก่อนนะหรือว่าวิตกไว้ก่อนนะว่าก็จะสอบได้หรือเปล่านะทั้งๆ ท, ที่เขาก็สอบได้มาตลอดนะแต่ก็อดนะระวังระแวงไม่ได้หรือเกิดระแวงหรืออดไม่ได้ที่จะวิตก อันนี้มันก็เจ้าไปแล้วก็สืบเนื่องจากสัญชตาตญาณระแวงภัยนะของคนเราที่มันสะสมมาช้านานนะเป็นหมื่นเป็นแสนปีเพียงแต่ว่าแทนที่มันจะระแวงระวังภัยที่คุกคามร่างกายหรือคุกคามชีวิตมันก็หันมาจดจอ่อนะกับสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือเกิดความไม่สบายใจ อันนี้ก็เป็นเหตุว่าทำไมคนจนไม่น้อยเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่แล้วก็ว่าได้เนี่ยมีความเครียดมากนะมีความวิตกมมีควากังวลนะแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จ ะ, ะมีชีวิตที่ผาสุขได้และพอเป็นอย่างนี้มากาเข้านะมันก็จะ มีแนวโน้มนะที่จ ะ, ม อ, อะนะมองอะไรแต่ในแง่ร้ายมองอะไรแต่ในแง่ร้ายมองอะไรแต่ในแง่ลบทั้งที่สิ่งดีๆก็มีนะแต่ว่าจะมองไปในทางลบทางร้ายหรือว่าสนใจแต่ในเรื่องที่มันเป็นเรื่องร้ายเอาไว้ก่อนก็เคยมีการจะเรียกว่าศึกษานะทดลอง ให้คนเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยมาอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีนะอยู่ในหน้าเดียวกันแต่เพราะว่าเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่เลยนะจะสนใจแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นข่าวนักการเมืองคอร์รัปชันข่าวอุบัติเหตุนะข่าวคนทะเลาะบอาแวงกันคนดังทะเลาะบอาแวงกัน ที่เขารู้เนี่ยเพราะเขามีเครื่องนะดูหรือวัดสายตางคนเนี่ยว่าตอนนี้กำลังมองไปที่อะไรมองไปที่ข่าวไหนและส่วนใหญ่เนี่ยก็สนใจนะแต่ว่าข่าวที่มันร้ายๆข่าวที่มันไม่ดีทั้งที่ในหน้าเดียวกันมันก็มีข่าวดีๆนะแต่ว่า คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจแต่ไอ้ข่าวที่ไม่ดีป๋ากก็บอกนะว่าอยากจะเห็นข่าวดีอยากจะสนใจข่าวดีข่าวที่คนช่วยเหลือกันนะคนที่เอื้อเฟื้อนะช่วยเหลือสุนัขหรือว่าช่วยเหลือคนยากคนจนหรือว่าคนที่สามารถจะคิดค้นผลิตเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะที่ใครๆบอกว่าอยากจะอ่านอยากจะเห็นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเปิดหนังสือพิมพ์อ่านเนี่ยมันจะจดจ่ออยู่แต่เรื่องที่เป็นข่าวไม่ดีแลาวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยสะสมนิสัยนะที่จะชอบมองอะไรนะแต่ในแง่ร้ายจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่ามันจะไวยนะมันจะไวกับเรื่องที่ เรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ค่อยดีอันนี้เราก็สังเกตได้ถึงแม้ทุกวันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วแต่ว่าใน f a c e b o o โซเชียลมีเดียเนี่ยนะถ้าเป็นข้อความหรือข่าวหรือโพสที่มันอ่เป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องวิพากวิจารณ์นะคนจะให้ความสนใจมากเลยแล้วก็แชร์กันมากหรือว่าคอมเมนต์บางทีกดไ like ลค์กันเยอะ ในข่าวดีๆเนี่ยโพสต์ดีๆเนี่ยก็จะได้รับความสนใจน้อยแชร์กันน้อยอันนี้มันแสดงเห็นว่าคนเราเนี่ยนะมันวัยนะต่อเรื่องลบๆต่อเรื่องไรนะ้าๆะซึ่งสมัยหนึ่งนะมันก็มีประโยชน์นะที่มันทำให้คนเราเนี่ยสามารถจะเอาตัวรอดปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่มันเวลวยได้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะ ไอ้ภัยต่างๆมันก็น้อยลงนะแต่ว่าการที่เรายังไม่ทิ้งนิสัยนะที่จะมองอะไรในทางลบทางร้ายซึ่งเกิดจากสัญชาติยานเอาตัวรอดเนี่ยมันก็เลยทําให้ค น, นมีความทุกข์ความเครียดมากนล้วกมีปัญหากับผู้คนรอบข้างรวมทั้งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยเพราะคนเราเนี่ยพอไวต่อเรื่องลบเรื่องร้ายเนี่ย เวลาคนใกล้ตัวเราพูดไม่ดีนะหรือทำอะไรไม่ดีให้กับเราแม้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราก็จะจำได้แม่นเลยหลายคนเนี่ยมีปัญหากับพ่อแม่มากนะบางทีก็น้อยใจบางทีก็ขับแค้นใจนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีบางช่วงนะที่พูดจารุนแรงต่อว่าด่าทอ หรือว่าอาจจะแสงอาการว่ารักลูกคนอื่นมากกว่าตัวเองทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะพ่อแม่ก็ทำดีกับเรามีความเอื้อเฟอื้อมีความเมตตากรุณามีความรักความห่วงใอยอาจจะทำเป็นพันพนหมื่นหมืนครั้งแต่ว่าผู้เป็นลูกเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้จดจําเท่าไหร่นะแต่จะจดจาเนี่ย บางโมเมนตะ์ที่พ่อแม่พูดไม่ดีกับเราหรือว่าทำให้เราเสียใจนะทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่รักเราทันะ้งที่มันก็เป็นแค่เหตุการณ์เพียงแค่ไม่กี่ครั้งนะแต่เนื่องจากเราเนี่ยนะถูกลอลลอมมาให้ไวนะให้ไวต่อเรื่องร้ายๆเรื่องที่มันทำให้ทุกข์ใจเนี่ยมันก็จะก็จะ สังเกตแล้วก็จดจำนะเป็นพิเศษเลยแล้วก็เลยเกิดปัญหานะว่าเนี้ยเกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความรู้สึกน้อยใจพ่อแม่อันทีก็ อ, อาจจะรวมไปถึงคนอื่นด้วยก็ได้นะที่เขามีความรักความห่วงใยเราเนี่ยอาจ จ, อ, อาจจะเป็นคู่ครองอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นพี่น้องเขาทำดีกับเรามากมายแต่ว่าพอแค่ทำไม่ดีกับเราครั้งสองครั้ง หรือไม่กี่ครั้งเนี่ยเราจดจำได้แม่นยำเลย ต, ตรงนี้มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจนะกับผู้คนจานวนมากบางทีเหตุการณ์ก็ผ่านไปนานแล้วชีวิตก็มีความสุขมีความราบรื่นแต่มก็ยังหวนคิดนะถึงประสบการณ์ในอดีที่เจ็บปวดพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เรา หรืออาจจะรวมถึงความเจ็บปวดอย่างอื่นด้วยนะเช่นความทุกข์ยากในวัยเด็กนะหรือว่าการที่ไม่รับการดูแล้วใจใส่มันจะเป็นส่วนน้อยในชีวิตของเราแต่ว่าคนจนน้อยนี่ก็จะฝังใจอยู่กับเรื่องราวแบบนี้อันนี้เพราะว่ามันคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีมีน้อมที่จะไวนะต่อเรื่องลบๆต่อเรื่องร้ายๆที่มันทาให้ทุกข์ใจ นะไม่ใช่แค่ทุกกายอย่างเดียวแล้วพอจดจำพอจดจำมันบ่อยนะมันก็ทำให้หาความสุขได้ยากนะแม้ว่าทุกวันนี้ก็จะมีนะความราบรื่นในชีวิตแล้วนะเดีย๋ยวนี้ก็เพราะว่าเนี่ยคนที่มีคนที่มีอารมณ์รบกบเจออารมณ์ร้รายๆเนี่ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันจะ มันจะอยู่นานนะฝังแน่ในจิตใจของเรามากกว่าอารมณ์ที่เป็นบวกนะเรามีความสุขกับอะไรก็ตามนะกับการกินการเที่ยวหรือว่ามีความสุขกับความเอื้อเฟื้อของผู้คนไอความสุขเรานั้นความดีใจเรานั้นเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยอยู่นานนะแตลว่าไอความทุกข์เนี่ยที่เกิดจากความพัดผ่าวสูญเสีย ความทุกข์ที่เกิดจากความล้มเหลวผิดพลาดความทุกข์ที่เกิดจากการถูกต่อว่าด่าทอหรือแม้แต่ความทุกข์ที่เกิดจากการที่ผิดพลาดนะไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำกับปุปกากาหรือทําให้เกิดความรู้สึกผิดเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันมักจะฝังแน่นในจิตใจของเราได้นานกว่าความสึกที่เป็นบวกเช่นเดียวกันนะคนทําดีกับเราเนี่ยเราจะจําไม่ค่อยได้หรือว่าใช้ เราจะลืมได้ง่ายนะแต่คนที่ทำไม่ดีกับเรานี่เราจะจำได้แม่นจาได้แม่นเลยคนที่ชมเราเนี่ยเราจะอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่คนที่ด่าเราเนี่ยคนที่ดูถูกเรานี่เราจะจำได้แม่นเลยตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ชาว่้าไปก็โยงมาถึงนิสัยนะที่เราถูกหล่อหลอมมาให้มีความระแวดระวังอันตรายระแวดระวังภยัยแต่ว่าตอนหลังมันไม่ใช่ แค่ภัยที่ทำให้ทุกข์กายนะไอภัยหรือเหตุกายท์ทําให้ทุกข์ใจเราก็จัรบีระวังแล้วเราก็จะจดจำแล้วเราก็จะไวกว่ามันมากเพราะนั้นเนี่ยเวลามันมีอารมณ์ทางลบเกิดขึ้นนี่โเราจะมันจะฝังแน่นในจิตใจมากส่วนหนึ่งก็เพราะาเราชอบนึกถึงมันบ่อยๆนะเราชอบนึกถึงมันมันก็เลยค้างคางอยู่ในจิตใจเราได้นา น, น, นถ้าเราเนะ ลองหันมานึกถึงสิ่งดีๆบ้างที่คนอื่นเขาทำกับเราหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างนะรวมทั้งรู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่เราได้รับในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงแต่ปัญหานึกถึงงานการที่ยังไม่ได้ทํานึกถึงภาระที่ยังค้างคาแต่ตรงข้ากับนึกว่า ชาวนี้เนี่ยอากาศดีนะเมฆก็สวยธรรมชาติก็งดงามแล้วขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจขอบคุณที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยพอลองคิดแบบนี้เขาบ้างอย่างนี้บ้างเนี่ยมันก็ช่วยทําให้อ้ น, นสัยที่จะมองอะไรแต่ในแง่ร้ายหรือว่าวัยต่อสิ่งร้ร้ามันก็ค่อยถูกปรับให้มีความสมดุลมากขึ้นที่ทํำงานคือเราต้องรู้ทันนะต้องรู้ทัน รู้ทันนิสัยเนี่ยที่มันถูกฝังมาอยู่ในจิตใจของเรานะถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์คือสมองเราถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้นะหรือี่พูดอย่างนี้คือว่าเราถูกโปรแก ร, รมมาให้เป็นแบบนี้นะคือชอบระแวดระวังหรือว่าชอบมองแต่ในแง่ร้ายหรือชอบจดจำแต่ในเรื่องร้ายๆรยนะวมทั้งชอบมองในแง่ร้ายด้วย นะเมื่อเรารล่ว่าเราถูกโปรแกรมมาแบบนี้เนี่ยถูกสั่งสมที่สายแบบนี้เราก็ต้องรู้ทันนะรู้จักทักทั่วมันบ้างเนี่ยเวลามันอ่ามันจะมองเห็นอะไรแต่ในเรื่องไร้ไเนี่ยก็ลองมองเออแล้วเรื่องดีอะ่ะนะลองมองบ้างสินะหรือว่าเวลามันจะจดจําแต่เรื่องไร้ ไ, ไเนี่ยก็ลองนึกถึงหรือพยายามจดจําเรื่องดีๆไว้บ้างนะ แล้วย้อนเราลึล่นึกถึงความดีที่คนอื่นเขาได้ทํากับเราเช่นพ่อแม่แทนที่จะเห็นแต่การกระทําหรือการกระทําที่ไม่ดีหรือด้านที่ไม่ดีของเขารู้จักทักท้วมมันบ้างนะรู้ทันแล้วก็ที่สำคัญคือรู้ทันในดีไซน์แบบนี้นะซึ่งคนที่เขาถูกหล่อล้อมมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะซึมซับรับเอาสิ่งดีๆแล้วก็จดจําในสิ่งที่ดีๆ รวมทั้งไม่ได้ไวต่อสิ่งแย่ๆอย่างเดียวแต่ยังสามารถจะรู้สึกไวต่อสิ่งดีๆดดได้ด้วยนั้นถ้าเรารู้จักนะเท่าทันนะนิสัยที่มันสั่งสมในใจของเรามาตลอดรวมทั้งรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ลบๆที่มันเกิดขึ้นหรือรวมทั้งรู้ทันเนี่ยเวลามันตั้งท่าจะมองแต่ในแง่ลบแง่ร้ายทักทวงมันบ้างว่ามันอะไม่เป็นงั้นก็ได้นะ เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นจะไปมองในทางลบในทางร้ายแบบนั้นที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าการมองการระแวงหรือการมองลบมองร้ายมันไม่ดีนะทุกครั้งเนี่ยเวลาเราขึ้นรถเนี่ยเราเราคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยอันนี้เพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันอาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าหรือในระหว่างการเดินทางเราจึงคาดเข็มขัดนิรภัยในการคิด การคิดแบบนี้มันก็เป็นการคิดในเชิงระแวงระวังภัยเหมือนกันนะหรือจะมองว่าเป็นการคิดลบก็ได้คิดลบว่าเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเราจึงข้าเข็มขัดนิรภัยซึ่งการทาเช่นนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าขับรถไปถึงที่หมายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าขับรถปลอดภัย99ครั้งนะแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ถ้าเราสวมเข็ ม, ข, มขัดค่ายเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเนี่ยถึงเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุน ะ, ะเราก็ปลอดภัยได้ถึงแม้ว่า 8.9 ครั้งที่ค่ายเข็มขัดนิรภัยไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าเพียงแค่มันช่วยป้องกันอันตรายให้กับเราครั้งเดียวนี่ก็ถือว่าคุม้มนะทั้ที่เราค่ายเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราระวังอันตราย เกิดจากการที่เรามองลบว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่พอเราทำไปนานๆ น, น, นะมันกลายเป็นนิสัยนะถึงเวลารเราคาดเองโดยที่ไม่ได้คิดไปว่าทาไปทาไมมันเป็นนิสัยไปซะและ้วซึ่งมันก็ดีนะเพราะมันช่วยป้องกันอันตรายได้ตอนเดียวกันนะการที่เรารู้จักคิดไปในทางบวกมั่งนะทำอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ทาให้ ถึงเวลาที่เราจะคิดลบคิดร้ายเราก็ไม่ถูกมันครอบงำเราก็จักทักทวมมันบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธความคิดนะในทางลบทางร้ายหรือว่าการมองแต่ในแง่ร้ายเพราะมันก็มีประโยชนนะ์เราก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์หรือทำให้เกิดความสมดุลในที่สำคัญญกอางน่งคือว่ารู้จักหาประโยชน์นะจากจากเหตุการณ์รายๆที่เกิดขึ้นก็ได้ เวลามีคนวิจารเราเนี่ยนะคนจนอมากจะรู้สึกโกรธรู้สึกเจ็บปวดและความเจ็บปวดนี่มันก็ค้างคายอยู่ในใจนิ่นานนะทั้งที่มันอาจะเป็นคําวิจารณ์จากคนที่เขาห่วงใยเราลักเราแต่ว่าเมื่อมันเจ็บปวดซะแล้วเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในใจมากแล้วก็อาจจะกระท บ, ะทบต่อความสัมพันธ์แต่ถ้าเรามองว่าเออรู้จังมองในเอกแง่หนึ่งก็ได้ว่าคำ ว, วิจารณเขานี่มันมีประโยชน์นะ มันมาจากความห่วงใย ห, หรือว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักปรับปรุงตัวเองหาประโยชน์จากคำวิจารหาประโยชน์จากคำตำหนิอย่างที่มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยนะแกพูดว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลคิดแบบนี้เข้าเนี่ยพอเวลาถูกตำหนิเข้าเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดนะเพราะว่ามองว่าได้ประโยชน์นะจากคาตาหนิถือว่ามันเป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิต มันก็ช่วยทําใหนะ้เราไม่ทุกข์นะไม่เจ็บปวดนะไปกับสิ่งลบ ๆ, ลๆไร้ไรได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักมีสตินะแล้วก็มันสังเกตจิตใจของเราแล้วก็สิ่งสมัยคือความรู้ทันรู้ทันนิสัยทั้งนิสัยใจคอแล้วก็รู้ทันทั้งความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเวลาจากสิ่งที่มากระทบหรือรู้ทันเวลาใจนี่มันจะมองแต่ในแง่ลบแง่ร้าย ทักท้วงมันบ้างอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดเอเยนี่พุทธนี้นะอา้าวกราบพระ